ประวัติความเป็นมาของบ้านหลังนี้นะคะเป็นที่ดินของญาติคนหนึ่งซึ่งจอมพลปอบพิบูลสงครามนะคะแล้วก็ขายให้จอมพลสริ์ในราคาไม่แพงนักเมื่อปีพุทธศักราช2496ค่ะน อ, อนอกจากที่ดินยังมีบ้านไม้เก่าๆติดมาด้วยหลังหนึง่งด้านหน้าบ้านก็จะมีศาลเจ้าผูุพังอีกหลังหนึง่งปลูกสร้างไว้ด้วยที่ดินผืนนี้ได้กล่าวว่าเป็นสมบัติส่วนตัวชิ้นแรกของจอมพลสริศก็ว่าได้